ถ้าเราเผาตัวตัณหาก็น่าจะสุขถ้ามันเผาเราก็สุขหรือเกลี่ยมได้เขาว่าสุขสุขเนือ้อย่าเหอ่อปวันสุกเย็นหรือสุกไม้ให้แน่เอย่ยนี่เป็นความกรนของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาส ในเรื่องของความสุขในเรื่องของปีใหม่อย่าไปดีใจว่าปีใหม่แล้วก็สวดมนต์ข้ามปีอย่าไปเอ่อตามเขาสู้ปฏิบัติธรรมะข้ามปีไม่ได้แต่าไม่ใช่มาข้ามาที่ตรงนี้ว่าปฏิบัติข้ามปี วันที่สามบอ็ดแล้วอย่างนั้นเรียกว่าโกงธรรมชาติมันเริ่มตั้งแต่ต้นปีเลยทุกๆปีเริ่มต้นปีภาวนาไปเรื่อยตั้งปีงานก็ทำไปภาวนาก็ภาวนาไปทำสมาธิก็ทำไป เมื่อจิตเป็นสมาธิก็ยกขึ้นสู่วิปัส น, นาพิจารณาไปแล้วปัญญามันก็จะเกิดได้อย่างนั้นที่มาทำเอาจุกเอาเผลากินแล้วก็เหอๆกันอย่างนั้นเนเดี๋ยวก็ไปไหว้พระก้าววัดเดี๋ยวก็จวดมนต์ข้ามปีอะไรก็ไม่รู้มันมั่วประเทศไตนี่เห็นไหม เราต้องมีสติปัญญากันเจ้าพุธฉะนั้นสติปัญญาของเราเราต้องคิดว่าไอ้ปีนี้มันอะไรปีนี้มันอะไรแต่ตอนเมื่อเรามีอายุเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอายุมันเพิ่มขึ้นคนสมัยโบราณไม่มีตะเกียงมีใต้ ได้ลำยาวแขกนี้เสร็จแล้วเวลาก็ทานอาหารเนี่ยเมื่อก่อนจุดใต้จุดใต้พอมันมอดเขี่ยไปพรางมอดก็เขี่ยไปพรางใต้นั้นก็ค่อยสั้นก็มาสั้นก็มาสั้นก็มาสั้นก็มาจนหมดเหมือนกันไล ปีใหม่เราก็แก่ลงไปอีกแล้วอย่าดีใจว่าสนุกความสุขที่เราพ่อบอกให้ฟังเมื่อตะกี้นี้ถ้าสุขด้วยอำนาจที่ถูกเผาเพราะกิเลสตัณหาสุขนั้นสุกกอสุกกอสุก ก, อ, ก, กอไก่ นี่ถ้าความสุขขอสุขเย็นสุขขอสุขเย็นฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมะเพื่อให้จิตนี่พบกับความสุขคือความสุขเย็นความสุขเย็นทุกคนให้เข้าใจเอาไว้ด้วยว่าความสุขเย็นคือพระนิพพานพระนิพพานก็เพราะว่า กิเลสมันดับหมดเมื่อกิเลสดับจิตนั้นก็เป็นธรรมชาติมีความสุขสุขเย็นไอ้นี่เรามาศึกษากันหน่อยว่าปีนี่มันมาจากไหนเดือนนี่มันมาจากไหนวันนี่มันมาจากไหนชั่วโมงนี่มันมาจากไหนนาทีนี่มันมาจากไหนวินาทีนี่มันมาจากไหน มันมาจากไหนสมมติังนั้นสิ่งเหล่านี้สมมตทั้งนั้นอะไรเป็นสิ่งสมมตเวลาเป็นสิ่งสมมตโลกนี้เกิดขึ้นมาโลกนี้ไม่มีไม่มีเมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนมันจะมีแต่ความสงบเย็นก่อนที่จะมีอะไรทั้งหมด มีความสงบเย็นขึ้นมาก่อนทีนี้เมื่อมีความสงบเย็นจั ก, กรวาลไม่มีอะไรไม่มีไม่มีทางนั้นทีนี้มันค่อยๆพัฒนาตามภาษาบาลีว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมันก็เลยเกิดเกิดเกิดเกิด แต่ใช้เวลาหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นล้านปีกว่าจะมีดวงอาทิตย์กว่าจะมีโลกกว่าจะมีดวงจันทร์มีดวงดาวมีจักรวาลมีอะไรขึ้นมาเยอยะแยะเต็มไปหมดแต่ต่อไปก็มีสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาจนกระทั่งว่าพาเป็นคน พอเป็นคนก็ต้องพัฒนาพัฒนาพัฒนาพัฒนาตอนแรกก็พัฒนาด้วยการกินด้วยการหลับด้วยการนอนด้วยการหนีไปด้วยการเสพกามเหมือนกันกันกบสัตติรจารา์นั่นแหละพัฒนามาได้แค่นั้นทีนี้พอเป็นคนขึ้นมาจริงๆริงรูปร่างหน้าตาก็เป็นผู้เป็นคนไปหน่อย ไม่ใช่เป็นเงาะป่าตอนที่หลวงพ่อเด็กๆเรียนหนังสือเรื่องเงาะป่าเงาะป่าไม่มีผ้านุ่งกินของเด็บเดี๋ยวนี้เงาะป่าก็ยังมีอยู่แต่จังหวัดสตูลใกล้ๆกับปัตุงนีตัวดำเล็กเล็กแ้พูดภาษาเงาะอันน ขาพูดคำเดียวจบคําเดียวจบคําเดียวจบให้เราก็ฟังก็ไม่ถูกเงาะป่าเดี๋ยวนี้นุ่งกางเกงจีนนะนเขาพัฒนางาะป่าที่มาเลเซียนะนอกจากนุ่งกางเกงยีนแล้วกี่รถเครื่องแล้วนีเมื่อก่อนงาะป่านีเจ็บไายได้ป่วยก็หาผลละหมากกระดาษไม้ มาทำยาเดี๋ยวนี้งะป่าดื่มโคกแล้วนี่มันพัฒนาพัฒนาทีนี้พอเจ็บคายได้ป่วยต้องไปโรงพยาบาลแล้วต้องไปหามหมอโรงพยาบาลมันไม่หายแล้วเพราะอะไรเพราะมันกินอาหารเหมือนกับคนธรรมดาแล้วนี่นะ ก็เลยพัฒนาพัฒนาพัฒนาทีนี้มันหน้าขำอยู่เรื่องหนึ่งไปเยี่ยมเขาเขาสร้างสถานที่ร้านอาหารชนพัทลุงก็ไปตามแถวโน้นก็ไปแล้วมีงาะป่าอยู่ใกล้ๆบ้านเขาเขาก็ช่วยดูแลอยู่อะไรอยู่อันี่งาะป่ามันกรอดลูกกรอดลูก คนหนึ่งมันมีเมียไม่ลูกกี่คนลูกมันนับไม่ถูกพ่อมันไปกรอดลูกมันไปครอดในปา่าไปกรอดคนเดียวเนี่ยมันยังเป็นธรรมชาติอยู่เป็นสัตว์ธรรมชาติอยู่พอกรอดเสร็จแล้วไปที่ลําทานเอาลูกตัวเล็กๆกเอาไปล้างที่ลําตานพอล้างเสร็จแล้วเป็นยังไงเรียว่าล้างไม่ทันเสร็จ เพราะลาทานอ่ะมันมีปลามากปลาตัวใหญ่มาถึงก้นงบเอาไปเอาไปกินเฉเลยมันก็เลยกลับบ้านกลับบ้านมือเปล่าปู่อ่ะมันถามว่าเนีไ่ไหนลูกล่ะปลากินจะแล้วเห็นไหมนี่ยดูที่เงาปะปาเงาปะปาทีนี้มันก็พัฒนาคนเราเนี่ยพัฒนาพัฒนาพัฒน า, พ, ฒนาพัฒนามา ในการพัฒนาเดี๋ยวนี้เราก็พัฒนาแรงงานพัฒนานั้นพัฒนานี้พัฒนาวัตถุโลกนี้ที่มันยุ่งยากวุ่นวายนี่ก็เพราะว่าพัฒนาวัตถุเอาพัฒนาวัตถุหมดเอามาใช้หมดอะไรก็เอามาใช้หมด ไปขุดภูเขามาไปขุดดินมาไปเอาอะไรมาไปขุดน้ํามันมาหมดเอามาใช้หมดเอามาใช้หมดก็เกิดความวุ่นวายกับโลกนี้ทนะีนี้เราก็มีส่วนเราไม่ได้ไปขดุดแต่ว่าใครจะไปขุดน้ํามันมั่งซื้อไม่ดีกวา่าเราก็เลยทุกบ้านมีกระายกันทางนั้นอย่างน้อยที่สุด รถจั ก, กรยานจั ก, กรยานยนต์เห็นไหมแค่นั้นเราก็เลยมีส่วนในการเกี่ยผเผาผลผลผผาโลกนี้เลยผาโลกนี้เลยนี้เมื่อมีส่วนอย่างนั้นเราจะไปโทษใครทีเนี่ยเราทำลายธรรมชาตินั่นนะสุขเหมือนกันจุกจากการได้วัตถุแต่เสร็จแล้วสุขไม่ เจียมุกไ ม, ม้จุกเกลียมจุกพระทำลายโลกเมื่อทำหลายโลกพอมีใบปลิวออกมาว่าต่อไปไปต่อไปน้ำจะท่วมมากกว่านี้เกิดือนามิทางตตวันตกจากจังหวัดประจวบผู้ขอานั้นก็จะถูกระเบิดขึ้นมาเลยหมด แล้วก็มีลาวาไหลออกมาพากตายกับน้ําท่วมภูเขาวังเนียงนี่ยังอยู่ก็ว่าอย่างนั้นไม่อยู่ก็ช้างมันตายสิไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรมีผู้หญิงคนหนึ่งกลัวกลัวนี่ก็บอกเ อ, เอาข้าวเอาข้าวเปลือกเอามาซ่อนไว้ตรงไหนก็ไปรู้เอาข้าวเปลือกขึ้นมาบนนี้ แล้วเอ์มันเนี่ยมาปลูกปลูกปกูไม่ทราบว่าปลูกไว้ตรงไหนหลวงพ่อก็ไม่เห็นแต่ไม่ต้องปลูกหรอกลิงมันกินหมดแล้วตอนนี้ลิงมันรู้มันเห็นนั่นคือก็กลัวตายเกากลัวตายทีนี้เราทําอย่างไรเรากลัวตายนี้เราทําอย่างไรเพราะมนุษย์ในโลกนี้สี่ส่วนตายสเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งนี้ เฉพาะคนที่ปฏิบัติธรรมะทถานั้นถ้าคนไม่ปฏิบัติธรรมะตายหมดไม่ต้องมากหลอเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยในจังหวัดพัทธลุงนี่โอ้ยก็ได้เลื่อนคันก็เลื่อนคันกันส็จแล้วดีใจเลี้ยงกันเล่นการพนันกันอะไรกันผิดใจกันนิดเดียว เอาปืนมายิงตายหมดหคนตัวเองเป็นคนที่เจ็ดกรอกปากเลยกล้ากันเองเนี่ยกล้ากันเองก็อย่างนั้นต่อไปก็อย่างนั้นแล้วไม่ได้ตายทีละคนแล้วต่อไปตายทีละร้อยส0งร้ทีละพันเห็น ไ, ไหมที่ประเทศคุณดีปินก็ดีอินโดนีเซียก็ดีแล้วก็ที่ประเทศอ่า นิวซีแลนด์ไม่ต้องป่อยแล้วพวกหัวไฟระเบิดบ่อยๆพวกนั้นไม่รู้จะไปไหนก็ต้องอยู่กันจนตายนั่นแหละระเบิดบ่อยหรือว่าไอ้แผ่นดินไหวไม่หยุดหอยไม่หยุดเนี่ยมันจะเกิดกันอย่างนี้โลกมันจะเกิดขึ้นมาอย่างนี้นนงัถึงเวลาแล้วถึงเวลา เราเกิดมาก็ทำหลายโลกเราเกิดมาจากโลกแต่เราก็ทำหลายโลกทีนี้ไอ้ปฏิสนธิของเราจริงๆมันอยากมันมาจากความสงบจิตวิญญาณของเรานี่มันมาจากความสงบมาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุ นนี่ตัวสุดท้ายคือวิญญาณธาตุถ้ารู้วิญญาณธาตุนี่คือถ้ารู้รู้เรื่องอะไรทีนี้รู้ไปสารพัดเรื่องนี่ถ้ารู้ที่ทางวิทยาศาสตร์รู้ในการผลิดยาบ้ารู้ในการผลิดปรมวนูรู้ในการผลิตอาวุธต่างๆ นั่นคือความรู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐินี้ถ้าความรู้นี้พัฒนาไปในด้านที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็ต้องรู้การปฏิบัติตามอริยมรรมาองค์8นี้การปฏิบัติตามอริยมรรมีองแปดก็ดีเรื่องอริยสัจสีก็ดีเรื่องการหน้าก็ดีเรื่องปฏิตสมตุปผาบาทก็ดี อภัยจิตนี่หลวงพ่อยังไม่พูดก่อนจิตตัวนั้นเน่ยมันเรียวกว่ามันจะคมชัดขึ้นมาแล้วจิตตัวนั้นอยู่กับอะไรไม่อยู่กับราคะแล้วไม่อยู่กับโทสะแล้วไม่อยู่กับโมหะแล้วอยู่กับความสงบในความสงบนั้น มีสติปัญญาอยู่เต็มทีนี้ในความสงบนั้นไม่มีแก่ไม่มีเก็บไม่มีตายจิตกลับก้าวสู่ที่เดิมคือธรรมชาติเดิมธรรมชาติเดิมแทน้นคือมาจากธรรมชาติเดิมทีนี้ความสุขที่เราวิ่งหากันอยู่นี่พร้อมทางนั้นความสุขทางตา ปลอมที่เราเห็นสวยๆงามๆนั่นแหละ ย, ยังไงปลอมเราเองก็ เ, เป็นอนิจจังไม่เทียงไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหเรอยตัวเราเองนี่ก็ไหลเรื่อยทุกขงังเข้าไปยึดมั่นถือมันไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่ต้องไม่อยากเป็นอยู่แล้วไม่ต้องไม่อยาก เป็นอยู่แล้วมีอยู่แล้วแล้วก็ความตายก็อยู่นิดเดียวอยู่ที่ปลายจมูกที่ตรงนั้นความตายทีนี้การปฏิบัติเราจะต้องรู้ต้นทางเราต้องรู้กลางทางเราต้องรู้ปลายทางไม่ใช่วนเวียนวนเวียนวนเวียนวนเวียนอยู่ที่นั้นวนเวียนอยู่ที่นั้นก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท ฝ่ายเกิดก็คือฝ่ายเกิดทุกฝ่ายเกิดทุกที่หลวงพ่อบอกว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเราก็วนเวียนอยู่ตรงนั้นวนเวียนอยู่ตรงนั้นราบยศสรรเสริญุกราบยศสรรเสริญุกเป็นของที่คู่กับโลกอย่างนล้วก็เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตาย เกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นทีนี้เกิดแก่เจ็บตายทางร่างกายอย่างหนึ่งเกิดแก่เจ็บตายทางจิตอย่างหนึ่งทางจิตเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นจิตนี่แหละจิตนี่แหละถ้าไปยึดมั่นถือถือมันว่าจิตเป็นตัวกู พอจิตเป็นตัวกูขึ้นมาเท่านั้นแหละเป็นหนุ่มเป็นสาวก็กูแก่ก็กูเจ็บก็กูตายก็กูเป็นกูหมดเป็นกูเป็นของกูหมดหลวงพ่อก็บอกว่าให้ภาวนากันใหม่ที่ภาวนาว่าตัวกูตัวกูไม่ต้องไปภาวนามันมันข้าวเส้นแล้ว เพราะมันยึดมัน่นถือมั่นมาตั้งแต่เล็กๆจนโตจนเฒ่าจนแกให้ภาวนาไหวยว่าไม่ใช่กูไอ้ตัวไม่ใช่กูนี่เป็นใครความรู้สึกจิตนั่นแหละคือตัวความรู้สึกไอ้จิตที่เป็นตัวความรู้สึกนั้นให้มีความรู้สึกว่าไม่ใช่กูเอนี้คำว่าจิตจิตจิต จิตเนี่ยคำว่าจิตแปลว่าก่อแปลว่าก่อคําว่าจิตแปลว่าวิจิตคําว่าจิตแปลว่ารู้แปลได้สามตัวแปลว่าก่อได้ยังไงก็ดูที่มันคิดมันคิดไม่หยุดเดี๋ยวพอหลวงพ่อบอกว่าให้นั่งสมาธิกันหน่อยสินาที ก่อไม่รู้อะไรจะอะไรก่อเรื่องขึ้นมาเนี่ยก็เรื่องขึ้นมามันคิดคิดคิดคิดคิดไม่จบมันคิดไม่จบที่นี้เราต้องการที่จะเบรกมันให้มันหยุดมั่งให้มันหยุดมั่งว่าจิตนี่มันเป็นอย่างไงไม่อย่างนั้นสมาธิมันก็เกิดไม่ได้เนี่ยมันก่อมันก่อเรียกว่าสังขารจิตแต่สังขารกายสังขาร ก็ก่อโตขึ้นมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยว่าจีสัง ข, ขารก็ก่อพูดออกมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาเร่อยว่าโนสัง ข, ขารก็คิดคิดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยทีนี้เอา เ, เราคิดเดี็ยว่าเราจะทำมาหากินด้วยการสร้างร้านอาหารขึ้นมาไปดูทาเลที่เหมาะเหมาะและปัญหา แม่ครัวที่ชานาญชานาญขายอาหารเห็นแล้วก็ขายดีก็ขายดีก่อแล้วทีนี้ก่อแล้วพัฒนาตรงนั้นพัฒนาตรงนี้พัฒนาตรงนด้ก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเอาดีขึ้นดีขึ้นเอาทำที่ตรงนี้ไปตรงโน้บ้างสาขาสอง จากสาขาสองก็เป็นสาขาสามสาขาสามก็เป็นสาขา4ีที่นี่ถ้าเป็นโรงงานที่ใหญ่ๆทำในประเทศไทยไม่เอาแล้วออกนอกแต่ว่าไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีมีแต่เพื่อนมากินหมดพวกโรตัตโรติสอะไรเนี่ยของเพื่อนก็ทั้งนั้นเลย น, ะนั่นคือก่อมันก่อต่างประเทศนี้ก็กาะเก่ง กอก่งก็เลยมาดูดเงินของเร า, านนน เ, กเก น, นก็ก็ก่อก่นด้านจิตแปลว่าก่อแปลว่าก่อก่อที่นี่ก็ก่อไปเรื่อยไม่หยุดเพราะมันไม่มีเบรกจิตไม่มีเบรกทีนี้จิตที่แปลว่าวิจิตแปลว่าวิจิตมันทําอะไรพิสดานพิสดานพิสดานอยู่เลยพิสดานมันทําพิสดานเช่นว่าพวกที่จบ อะไรวิกิจสินอะ้วพวกนี้ขนาดตาไม้ไผ่เนี่มันก็เอามาเขียนเป็นลวดเป็นลายเป็นอะไรหรือไปเอาผักกูดมาเอายอดผักกูดเดี๋ยวเอามาเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเป็นลายนั้นลายนี่ลายนู้ น, น, น, น, นมันวิกิจไปหมดไอ้นี้วิกิจพอรสร้างโบสถ์ขึ้นมามสักหลัง พระประชักจะวิจิตเหมือนกันสร้างโบสถ์ขึ้นมาสักหลังหนึ่งทำกันทวยวิจิตทำไอ้ข้างบนช่อคว้าวิจิตประตูวิจิตหน้าต่างวิจิตมันเท่าไหร่ก็ไปนะมันเท่าไหรก็ไปไอ้วิจิตนั่นแหละนะมันเท่าไหรนี่นั่นยหน้าต่างบ้านกี่หมืน่นกี่แสน ต้องอาบน้ําทองต้องอย่างนั้นอย่างนี้ น, ะนั่นพอวัดนี้ทํำสวยวัดโน้นก็จะเอามั่งเนี่ยมันวิจิตวิจิตพระก็ไปตายกับวิจิตนั้นเหมือนกันโยมก็ไปตายกับวิจิตนั่นแหละนั่นเรียวววกว่าวิจิตจิตที่แปลว่าวิจิตนี่จิตที่แปลว่ารู้นี่รู้รู้ต้องรู้ถูกต้องถ้ารู้ไม่ถูกต้อง ก็ดับทุก์ไม่ได้ดังนั้นรู้ตัวนี้ก็คืออริยสัจสี่ถ้ารู้อริยสัจสี่จะรู้อะไรหมดถ้ารู้อริยสัจสจะรู้หมดทีนี้ต้องปฏิบัติตามองค์มรรคถ้าไม่ปฏิบัติตามองค์มรรคก็จะไม่รู้อริยสัจสี่ตามองค์มรรคสัมมาทิฏฐิข้อเดียวนี้ สัมมาทิฏฐิความเห็นอันถูกต้องเราจะไปหมายมั่นปั้นมือว่าเห็นกับตานะมันไม่ใช่ต้องปฏิบัติให้เห็นด้วยปัญญาต้องให้เกิดปัญญาขึ้นมาก่อนถ้าไม่เกิดปัญญาขึ้นมาไม่เห็นทีนี้เราตั้งต้นสัมมาทิฏฐิต้องท่องให้จำโยมทุกคนจะต้องท่องให้จำ สรมาทิธีความเห็นอันถูกต้องเห็นอริยสัจสีโดยทุกธมุมุไทยนโิโรธมักเห็นขันนานามรูปหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นปฏิจจสมุปบาทอาวิจาสังขารวิญญาณนามรูปเวตนาผัสสะเวทนาตนาอุปาทานภพชาติชรามรณะโฉกาปิเทวะ ทุกขโทมนัเจาอุปายายแต่เสร็จแล้วเป็นยังไงถ้าเห็นอริยสัจสี่จริงๆขันหาก็คืออริยสัจสี่ปฏิจจัตตา ป, ปบาทก็คืออริยสัจว์่มันขยายออกไปขยายออกไปขยายออกไปขยายออกไปถ้าคลิ้งทอด ถ้ปฏิจจสมุปบา ท, ทริ้งทอดเขาก็เรียกว่านามรูปเริ่มต้นจากนามรูปให้ตามันทั้งหมดก็เ ร, เริ่มต้นจากอวิชชาอวิชชาคือโง่จิตโง่ทีนี้จิตโง่นี่แหละทำยังไงให้มันฉลาดหลวพ่อเขาพยายามที่จะเรียกว่าอักดิบอักดิบมัน นี่ถ้าคนที่ติดยานี่คนที่ติดยานี่ถ้าเขาหักดิบได้คนนั้นต้องใจแข็งตายเป็นตายไม่ยอมหยุดตายก็ตายรือไม่ไ ม, ไม่ไม่ยอมสูบไม่ยอมกินอีกต่อไปให้มันรู้ว่าตายไปมันก็หายเลถ้าอย่างนั้นมันก็หายนี่หักดิบทีนี้จะไปหักดิบยาบ้าได้ยังไงกานาดูดียังหักดิบไม่ได้เลย มวลต่อมวลมวลต่อมวลมวลต่อมวลจิตอ่อนพวกนี้เรียกว่าจิตอ่อนแพ้ยาเสพติดจิตอ่อนแค่นั้นต้องทําจิตให้เข้มแข็งเอาจริงเอาจังกันหลวงพ่อสร้างวัดนี้ขึ้นมาไม่ใช่อวดดีหลวงพ่อต้องนิมิตก่อนเพราะว่าหลวงพ่อจะต้องอธิษฐานจิต เรื่องของการอธิษฐานจิตพออธิษฐานจิตหลวงพ่อก็นิมิตแล้วก็เห็นวัดนี้หมดหลวงพ่อก็หากันที่โน่นที่นี่หลายจังหวัดพอมาเจอหลวงพ่อก็ไม่กล้าพูดเพราะยังไม่ได้ทําอะไรพูดออกไปใครมันจะเชื่อแต่เดี๋ยวนี้หลวงพ่อพูดคนก็ เ, นเชื่อแล้วเพราะมันเรียบร้อยแล้วทุกอย่าง แตยว่าเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ต้องไปวิจิตมันทีนี้นี่เดียก ว, ว่าด้วยแรงอธิษฐานจิตจากแรงอธิษฐานจิตก็มาสร้างสร้างหลวงพ่อบอกตัวเองว่าถ้าสร้างไม่เสร็จข้อกระดูกฝังไวน้นี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าสร้างเสร็จ หลวงพ่อก็จะทำงานต่อไปวันหนึ่งลงไปบินธาบาททางเก่านะแต่ว่าทางก็ยังไม่เสร็จไม่มีวันเลยสักขั้นหนึ่งเรพอจอดสองพานาโรยจุดแปดลงไปบินธาบาทขึ้นมาก็ขึ้นมามันหิวแล้วก็คิดทีนี้จิตอะลรมันคิดแล้วคิดว่าเออฉันกลางทางน่าจะดีกว่างมมันหิวแล้ว ทีนี้จิตตัวหนึ่งที่มันฉลาดนั่นแหละที่มันเข้มแข็งมันก็บอกว่าอย่าคิดอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วทั้งข้าวทั้งบาตรฉันจะกว้างติ้งไปเลยไม่ต้องกินไม่ต้องกินไม่ต้องฉันเลิกเลยตั้งแต่นั้นมาไม่เคยคิดอย่างนั้นแล้วก็มาสร้างสร้างสร้างสร้าง สร้างจนกระทั่งว่าเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแ้วไม่ได้สร้างคนเดียวหรอกเด็กนักเรียนเป็นร้อยเป็นพันมาช่วยกันเพราะเมื่อก่อนนอกจากว่าสร้างวัตถกุก็สร้างคนไปด้วยสร้างคนก็คือเด็กมาเข้าค่ายปฏิบัติหรือว่ามาเช้ากลับบ่าย ที่ละ8ห้อง8ห้อง8ห้องแ8ห้องมันเท่าไหร่ก็ไปห้องละ40ห้องละ40 8 8 40ปที่400กว่าทีนี้ก่สร้างสร้างคนไปด้วยสร้างวัตถุไปปรางสร้างคนไปปรางสร้างไปสร้างไปสร้างไปก่อสร้างไปสร้างมาโรงเรียนโน้นก็มาโรงเรียนนี้ก็มา โ อ, อ, อมก็มามัต ย, ยมก็มาไปไปมามาก็เลยไปสอนที่โรงเรียนซะเลยก็เลยไปสอนโรงเรียนบอกครูบอกว่านี่ไปสอนโรงเรียนดีกว่าไม่ต้องรอกระทรวงศึกษายอยู่ดอกครูก็เลยตกลตกลงไปสอนไปสอนตอนแรก ก็เนมนพระได้สามรูปสามรูปเด็กจบสองห้องจบสองห้องอแบ่งสันแบ่งสันปันส่วนกันรูปละสี่ห้องสี่ห้องเอาไม่ทันเอาไม่ทันมองมันไม่ทั่วสี่ห้องก็ เ, เลยตกลงว่าครกูก็ไปนมนพระมาเพิ่ม กองและรูปและรูปและนี่คือสร้างคนก็ได้ติดได้ดีกันเยอะแต่บางคนกันรู้จักบุญคุณบางคนก็ไม่รู้จักก็สร้างเหมืนไม่เป็นรเราสร้างเลยเราสร้างเล็ต้องสร้างหมดทีนี้กว่าจะมาถึงจุดนี้เนาะต้องวางพื้นฐานกันหลายปี ว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ว่าโยมจะมานั่งอยู่ในนี้พอสร้างความสร้างมาเป็นยังไง้านีวิทยุก็ไปออก้านีวิทยุสิบปีก็ไม่เห็นได้เรื่องได้ลาวเลยทุกถ้าไปนในเดือนจำสิบปียิ่งไม่ได้เรื่องใหญ่ทีนี้นั่งสอนแต่คนแก่อยู่9้าคนสิบคนส4บสี่สิบห้าคน สอนไปสอนมาไม่หลบคราบเลยไม่ไหวลดน้ําให้หวัวตออยู่ตายอย่างนี้ตายหงพ่อบอกว่าไม่ไหวเลยไม่ไหวแล้วต้องขยับขยายนะอย่างขยับขยายก็เริ่มต้นนี่ก็เริ่มต้นเริ่มต้นทีนี้ขอนิมนต์งานศพงานจบก็จะได้อะไรจะได้อะไร ก็คนไปนั่งฟังด้วยความเกรงใจแค่นั้นเองไม่จะลืนก็อยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นทีนี้วันหนึ่งไปพม่ากันเนี่ยคุณประเสริฐจะก็โยมยินดีไปพม่ากันก่อนที่จะไป พ, ม, าาพม่าญาติโยมพอมาที่บ้านปักของคุณประเสริฐ20่สบ ส, สบคนของพ่อก็คุยธรรมะให้เขาฟัง พอคุยทําไม่เขาฟังจนจบโยมก็ยังไม่ขยับเยื่นกันเลยนั่งไปยังไปคุยกันกลางนอกอีกคุยกันอีกคุนเอเราจะช่วยคนเหล่านี้ยังไงดีก็อพอเจ้าก็ไปพามากเขาคิดกันว่าต่อไปต้องมาช่วยคนที่กรุงเทพแล้วต้องมาช่วยแล้วเพราะตั้งแต่นั้นมาก็เลยช่วยช่วยช่วยช่วย ช่วยกรุงเทพแล้วก็ไปช่วยเชียงใหม่เชียงใหม่นี่ไปสองครั้งนละ้องครั้งแกรุงเทพนี่นัไม่ท้วนแล้วทีนี้พอคนเชียงใหม่รู้เขานี่ไปเมื่อเร็วๆนี้วันที่เท่าไร่วันนั้นวันที่เก้าลับวันที่16ไปอยู่8วันมันยายไป1ิบเครั้ง กลับมาถึงก็นอนวันกับคืนยังไม่หายเหนื่อยเลยแต่ชู้ทั้งนั้นไม่เป็นไรทำไปทำมาเจ็บคอเป็นวัดพ้นยากป็ปล่อยแต่พูดต่อครั้งจุดท้ายพูดไปสองชั่วโมงครึ่งต้องพูดยังไงก็จะต้องพูดเราเราจะต้องช่วยเหลือคนอื่นเขาช่วยเหลืออย่างเดียว มีได้ช่วยเหลือฉะนั้นนี่คือเรียกว่าวางพื้นฐานพื้นฐานพื้นฐานโอไว้ก่อนแล้ก็น่าสงสารคนที่ก็สนใจธรรมะนีสเปรปะไม่รู้จะเชื่ออาจารย์ไหนดีแม้แต่การภาวนาก็องนั้นก็ว่าไปอย่างอง์นี้ก็ว่าไปอย่างแล้วก็ยุหนอพองหนออไา่หนอขวาหนอ ไม่เป็นไรหนอก็ได้ท่านอาจารย์พุทธทาท่านบอกว่า้ายหนอขว้าหนอยกหนอเหยียบหนอย่างหนอเสร็จแล้วเปน็นไรไม่ใช่กูหนอเห็นหรือ ว, ว่าว่างหนอว่างหนอกนอ็ไม่ใช่กูนั่นแหละว่างไม่ใช่กูนั่นเลยทีนี้ ไปนอไปหน อ, หนอมาไม่มีว่างหนอมีแต่ ก, กูหมดมีแต่ ก, กูหมดเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยวไปอย่างนี้ก็เรียกว่าสมรราสมราเราต้องการที่จะปลูกทุกวัดตัวกวกยาวพอปลูกเสร็จแล้วไม่เอาไม้ไปทำคาง้ายมันเที่ยวเลื้อยอยู่ตามดินตัวไม่ทำคาง่ายใหมน แต่นี้มันต้องมีค้างดังนั้นจิตนี่ก็เหมือนกันเมื่อเราทําสมาธิแล้วต้องยกขึ้นรูปัจนาเพราพูดว่าวิปัจนาก็เป็นภาษาโน้นไปอีกยกขึ้นรูปัญญาเรียกว่ายกขึ้นรูปัญ ญ, า ย, ญ, ญ า, ายกขึ้นรูปัญญาพอยกขึ้นรูปัญญาแล้วให้เห็นอนิจจัง ทุกขังอนัตตาเนมันมีเท่านี้มีเท่านี้แกเราคิดว่าอานิจังทุกขังอนัตตาเรื่องเล็กจำมาทั้งนานได้ตั้งแต่เด็กๆแต่จนหัวงอกเลยยังไม่เข้าใ จ, ไ ม, จ, าจไม่รู้จักอนาาิจจงไม่รู้จักอนัตตาถาเราไม่ขึ้นบันไดขั้นแรกแล้วขั้นสุดท้ายเราจะรู้ได้ยังไงอย่าไปดูตู พุทธัทงเจรนังกัจฉามิรู้ได้ไหมพอพุทธัทงเจรนังกัจฉามิแล้วก็รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วพระพุทธเจ้าเมื่อคนเขามีปัญหาพอมีปัญหาเลยกล้าไปหาพระพุทธเจ้ากล้าไปหาพระพุทธเจ้าพระองค์ก็แก้ปัญหาให้เขาแก้ปัญหาเสร็จ เขาก็หลุดออกไปก็ เ, เลยกล่าววาจาออกมาว่าพุทธัทงรนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเราเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าน่ะเป็นหมอพระธรรมน่ะเป็นยาพระธรรมน่ะเป็นยาพระสงฆ์น่ะเป็นลูกน้องลูกน้องหมอนี่เรียกว่า เราพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งออพระ ร, รมเป็นที่พึ่งโอพระอรลัยสงฆ์เป็นที่พึ่งเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ค้นพบความสงบเย็นเห็นไหมพระองค์ค้นพบความสงบเย็นทีนี้ความสงบเย็นมาจากไหนมาจากพระธรรมพระธรรมคือธรรมชาติ ธรรมชาติที่มีอยู่ก่อนอะไรทั้งนั้นเล ย, เยพระธรรมนะ่คือธรรมชาติเจ็ดแตน่เมื่อพระองค์ค้นพบพระธรรมคือธรรมชาติจิตของพระองค์ก็สงบเย็นเป็นพุทธโธขึ้นมาพุทธโธขึ้นมานี่แหละจิตที่แปลว่ารู้แปลว่ารู้รู้อะไรรู้อริยสัจรู้อริยสัจซีนั่นแหละ รู้อริยสัจสินี้เมื่อพระองค์รู้ขึ้นม า, จ, า, าะวะวจิตที่แปลว่าก่อแปลว่าวิกิจแล้วก็แปลว่ารู้แปลว่ารู้นี่อย่างนี้อย่างนี้ดังนั้นรู้นี่เลยรู้อะไรบ้างรู้อริยสัจรู้อริยสัจก็ต้องปฏิบัติที่ถ้าไม่ปฏิบตัติมันจะรู้ได้ยังไง ปฏิบัติตามองแห่งอริยมรรคนั่นแหละคือทางเดินทางเดินของจิตทางเดินของกายวาจานั่นเป็นทางเดินแค่นั้นถ้าเราดูรูปปฏิจจสมุปบาทเดี๋ยวนยีรูปปฏิจจสมุปบาทก็ไปทำมาแล้วเดี๋ยวจะได้แกกันนะก็จะได้อธิบายให้ฟัง นี่การรู้อริยสัจรู้อริยสัจนี่ต้องปฏิบัติตามองค์มรรคปัญญาศีล ส, สมาธิสัมมาทิธีมีความเห็นอันถูกต้องเห็นอริยสัจสี่เห็นกัน5เห็เนปฏิจจสมุปบาทสัมมาจังกับป่า มีความดาริในการออกจากกามมีความดาริในการไม่มุ่งร้ายมีความดาริในการไม่เบียดเบียนยันนี้มันมุ่งเข้าหากามหมดอย่าไปคิดว่ากามคือกามระหว่างเพศอย่างเดียววัตถุก็คือกามทางนั้นกามทางนั้นสิ่งไหนที่เราอยากกามทางนั้น แรีกว่าเป็นกรรมามหมดอยากมีรถคันหนึ่งก็คือกามทีนี้ถ้าหากว่าเรามีให้มันพอดีพอดีไม่เป็นหนี้ไม่เป็นสินก็ไม่ต้องไปกู้เขามาอะไรเขามาหรือไม่ต้องไปอยากมันไม่ต้องไปอยากมันมีก็มีไปแต่ว่าดูตามความเหมาะสมก่อนเงินมีในกระเป๋าพอไหมอะไรพอไหมนี่คนเดี๋ยวนี้เกินตัว ใช้จ่ายเกินตัวหมดก็ เ, เลยมีแต่ความทุกข์นี่เรียกากามนะมีตั้งกามระหว่างเพศมีตั้งกามแห่งวัตถุมีตั้งวัตถุด้วยทีนี้เดี๋ยวนี้รู้ไหมว่าอะไรครองโลกวัตถุครองโลกจงครามโรคครั้งที่หนึ่งปานจงครามโรคครั้งที่สองปาน ผ่านไปแล้วของพ่อก็โดนแล้วสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่สามนี่เราแพ้สงครามโลกครั้งที่สามทั่วโลกทั่วโลกแพ้สงครามโลกครั้งที่สามแพ้วัตถุเห็นไหมต้องมีนิวเคลียร์ต้องมีป ร, รมาณูต้อง ม, มีนั้นมีนี่มีโน้ตทีนี้เราก็หางเครื่อง หางเครื่องกอนคือแพร่วัตถุแพร่วัตถุหมดเดี๋ยวนี้แล้วคนเดี๋ยวนี้เอาไม้ฟืนมาองข้าวจักหม้อหนึ่งสมมติเราไม่มีควยคว้าหุงเป็นไหมแต่ถ้าคนนั้นผ่านสงครามโลกครั้งที่สองมาหุงเป็นแต่ถ้าไม่ผ่านสงครามโลกครั้งที่สองมาไม่เป็นรับรองได้ว่าไม่เป็น นี่คือแปรสงครามโลกครั้งที่สามสงครามโลกครั้งที่สามนี่รุนแรงมากก็คือวัตถุนี่คือกามเรียกว่ากามเรียกว่ากามวัตถุกามมากิเลสกามวัตถุทีนี้เรียกว่ากิเลสกามแล้วก็วัตถุกามนีเรื่องกาม สัมมาสังกัโป้มีความดำริในการออกจากกามพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์ไม่หลีกออกจากกามพระองค์จะเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรลองคิดดูกามวัตถุในสมัยนั้นก็ไม่รุนแรงเกินไปแต่ว่าปัญหาของพระองค์ก็คือความทุกข์เริ่มต้น ความ่าทุกความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความเจ็บเป็นทุกความตายเป็นทุกทุกเพราะอะไรทุกเพราะเข้าไปยึดมั่นถือมัน่นทีนี้พอข้าไปยึดมั่นถือมัน่นจิตตัวเดียวนี่ว่าจิตนี้เป็นกูเท่านั้นความแก่ก็กูความหนุ่มความฉ้าก็กู ความเจ็บก็ ก, กูความตายก็กูกกมาหมดถ้าจิตเป็นกูแต่ก็มาหมดมากันเป็นฝูงเลยฝูงวัวฝูงควายอย่างนั้นมากันความทุกข์ความตายความพรัดรากจากกองรักของชอบใจมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นทุกหมดทุกทีหนึ่งตายทีหนึ่งทุกทีหนึ่งตายทีหนึ่งมีแต่ตาย อยู่แต่กับความตายแต่ไม่ใช่ร่างกายตายจิตตายจิตตายคือจิตโง่นั่นแหละตายนี่ถ้าเราไม่มีจิตออะไรไปตายชั่วรวยหลางชั่วรวยหลางเป็นยังไงก็คือสิตโง่ไปเรียนเซนนั่นแหละถ้าใครอ่านแล้วก็ไปดูเดี๋ยวว่าปัวหน้าจิตคือ พระสังกนายกองค์ที่ห้านะท่านต้องการที่จะมอบบาทจีวรในสิทธิรู้จริงจะได้เป็นพระสังกนายกองค์ที่หกต่อไปท่านจะแขวนหวมแล้วทีนี้ในสำนักนัน้นก็อยู่กันเป็นพันคนลูกศิษย์เรนะอยู่ปฏิบัติกันทีนี้ พระสังกานายกองค์ที่หกท่านก็เลยประกาศว่าถ้าใครรู้ธรรมะก็ให้มาคุยมาบอกมากล่าวท่านแล้วท่านจะได้มอบบาทมอบทีวอนให้หัวหน้าสิทธิ์ก็เลยทำอะไรไม่ได้เพราะยังไม่รู้ความจริงเลยไม่รู้จิตเดิมแท้เลยรู้งูงูปลาปลาอยู่อย่างนั้ น, นก็เลย แล้วเนี่ยไปเขียนเอาไว้ที่ขวาผนังขวาผนังที่ทางเดินที่หลวงพ่อใหญ่นั้นท่านเดินร่างกายเปรียบเหมือนต้นโพจิตเปียบเหมือนกระจกเงาเราต้องเจ็ดมันทุกเวลามันจึงใสสะอาดนี่เขียนไว้อย่างนั้นพอท่านออกมาท่านก็ถามว่านี่ใครเขียนใครเขียนไว้ตรงนี้เราลูกศิษย์ก็บอกว่าหัวหน้า เ อ, อ้อพวกเธอจดไปจดไปคัดไปให้โ อ, อ้ไปท่องกันจะได้ไม่ตกนรกกันว่าอย่างนั้นก็เลยท่องกันทั้งวัดเน่ทั้งสำนักนันทีนี้คนจริงโน่อยู่ที่โรงกระเดื่องตําข้าวอยู่หนังสือก็ไม่รู้ตัวเนึ่เราอย่าน้อยใจ บางคนไม่รู้หนังสือจากตัวหนึ่งการปฏิบัติยิ่งก้าวหน้าไปใหญ่เลยแต่ว่าไอ้เรื่องที่จะรวยพิสดารมันมีไม่ได้แตสามารถที่จะดับทุกตัวเองได้คนไม่รู้หนังสือนี่ไปรวดเลยแต่ว่าถ้าปฏิบัติเอาจริงนี่ไปรวดเลยทีนี้คนที่ไม่รู้หนังสือที่อยู่ที่โรงกระเดื่องนั้นก็ไม่ได้ทํางานอะไรเต็ มันจะตำข้าวอย่างเดียวตำข้าวอย่างเดียวตำข้าวไปภาวนาไปตำข้าวไปภาวนาไปภาวนาไปภาวนาไปภาวนาอะไรก็ไม่ใช่กูที่ายก็ถูกแล้วไม่ใช่กูไม่ใช่กูพอท่านภาวนาไม่ใช่กูมันก็เห็นเออไม่ใช่กูมันก็คือว่างดิว่างจากอะไรก็ว่างจากตัวกูที่ว่างจากตัวกู เอาว่างจากตัวกูคือจิตเนี่ยมันว่างจากตัวกูพอจิตว่างจากตัวกูร่างกายก็เป็นธรรมชาติหมดตาหูก็เป็นธรรมชาติหมดเารมณ์ก็เป็นธรรมชาติหมดทีนี้พอท่านได้ยินว่าเออเขามาท่องว่าร่างกายเปียบเหมือนต้นโพจิตเปียบเหมือนกระจกเงาเราต้องเช็ดมันทุกเวลามันจึงใสสะอาดเอ้นี่อะไรเนี่ยเขาท่องเขาท่องอะไรกันก็เลยเพื่อนคนนั้นก็บอก ก็บอกเสร็จแล้วโอ้พาเราไปดูเถอะไปดูเถอะเพราะท่านตอนกลางวันะไม่มีเวลาต้องตําข้าวกันทั้งวันเลยพอตกค่าเลิกงานก็ให้เพื่อนพาไปดูพอไปโน้นให้อ่านให้ฟังเขาก็อ่านให้ฟังพออ่านให้ฟังแล้วท่านก็บอกว่าเออไหนช่วยเขียนให้หน่อยเถอะ เราก็มีโฉโลที่จะเขียนด้วยเพื่อนก็เลยเขียนให้เขียนที่ใกล้ๆกันที่ตรงนั้นแหละเขียนว่าอย่างไงในเมื่อไม่มีต้นโพไม่มีกระจกเงาแล้วกีุ้วนมันจะลงจับที่ตรงไหนนี่อะไรกี้ควนนี่มันอะไรทีนี้ไอ้ต้นโพนี่มันคืออะไรกระจกเงามันคืออะไร นี่เราไปยึดถือแต่ต้นโพกันเดี๋ยวนี้แกเอาต้นโพมาเป็นของกูไปเอากระจกเงามาเป็นตัวกูเห็น ไ, ไหมพอเอาจิตมาเป็นตัวกูร่างกายก็เป็นของกูหมดตาหูก็เป็นของกูหมดมันก็เลยดับไม่ได้มันกม็มีแต่ที้พูมาจับมาจับมาจับอยู่เรื่อย ความพอใจมัง่งความไม่พอใจมัง่งมาจับมาจับอยู่เรื่อยอย่างนั้นเนี่ยเป็นยังไงเห็นไหมฉะนั้นพออาจารย์ใหญ่ออกมาเห็นอีกครั้งหนึ่งอา้าวนี่ใครมาเขียนอีกชะโลกหนึ่งอีกก็มีลูกศิษย์ท่านบอกว่านี่นายคนโน้นคนที่ตำข้าวรก็กระเดื่องท่านก็เลยโอ้ ไหวไม่ได้อย่างนี้ไหวไม่ได้อันตรายอันตรายจะถึงตัวท่านก็เลยเอาเท้าลบหมดเอาเท้าลบไม่เอาเท้าลบไม่ได้โราะวนาสิทธิ์ก็จะปลกอาฆาตพยาบาททีนี้ออกคํากลายรุ่งท่านก็ไปเคาะ ครกที่กระเดื่องสามครั้งกับไม้เทา้าสิกแนนบอกว่าตีสามเธอไปหาเรานายคนนั้นก็เลยรู้เลยก็ข้าไปหาท่านตอนตีสามก็ไปหาเสร็จแล้วก็คุยท ร, รมากันอะไรกันท่านก็มอบบาทมอบกีวรให้ มอบให้แล้วท่านบอกแล้วจะไปไหนไปทางไหนท่านไม่ร an ู้ทางเลยก็ตกลงว่าพระสังกายนายกองที่ห้าท่านขอให้ลงเรือแล้วก็ไปส่งไปส่งไปส่งแล้วยังบอกอีกบอกว่าต้องไปตรงนั้นต้องไปตรงนี้ต้องไปตรงโนดเพราะว่าเขาจะ ตามค่าไปเอาบาดไปเอาจีวอโดนตามไล่า่านี่เรื่องมันอยู่ที่จิตนี่แหละเรื่องนี้มันอยู่ที่จิตตัวเดียวก็เลยให้ภาวนาจิตไม่ใช่กูแต่ว่ามันยาวไปยาวไปก็ภาวนาตัวเดียวไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูตัือจิตนั่นแหละไม่ใช่กูให้เข้าใจว่าจิตนั่นแหละไม่ใช่กู พอจิตเป็นกูขึ้นมาจิตที่เป็นกูนั่นแหละเป็นจิตอวิชชาจิตอวิชชาแต่จิตที่ไม่ใช่กูเป็นจิตที่มีปัญญาเรียกว่าจิตวิชชาวิชชากับอวิชชานี่จําจง่ายๆวิชชาก็คือจิตที่มีสติมีปัญญาชวน อวิชชาคือจิตโง่จิตโง่ทีนี้เราปฏิบัติตามองค์แห่งอริยมรรคมีองค์แปดต้องปฏิบัติให้จริงจังปฏิบัติเช่นสติปัฏฐานสีอย่างนี้ เ, าเราจอบสติปัฏฐานสีเอาเอาสติปัฏฐานสีแต่เสร็จแล้วมันค่อยๆเพิ่มปัญญาค่อยเพิ่ ม, ญญมขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อ ย, อยสติปัฏฐานสี มีสติเห็นกายในกายว่ากายนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่าอยูดเพื่อแค่นั้นกายนี้เป็นอนิจจังข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันไม่ได้มันเป็นทุกขังมันไหลเรื่อยแต่เราก็ว่าของกูเรื่อยของกูเรื่อยแต่มันก็ไม่เชื่อเราสักทีนี่เพราะมันเป็นอนิจจังพอข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ได้ผลน่ะ คือได้ทุกขังขึ้นมาอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนให้รู้เท่านี้เลยให้รู้เท่านี้เลยให้รู้กายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีสติเห็นกายในกายว่ากายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเหมือนกันเลย เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตอนแรกก็พิจารณาไปก่อนทีนี้ตาไปเห็นข้างนอกเห็นศพเราก็พิจารณาเห็นว่าเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาน้อมก็มาที่ตัวเองทีนีอเราก็จะต้องเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันทีนี้ทําไปคือทาไปคือตอนแรกเนะี่ย จากสมาทิตีก็สมาจังกับปูดำรีในการออกจากกามดำรีในการไม่มุ่งร้ายดำดีในการไม่มมบไมเบียดเบียนต่อไปก็เป็นศีลธรรมมาวาจาธรมมากรรมันตารามาอาชีวะรับกันทุกวันศีลรับกันทุกวันแต่ไม่รู้ว่ามีสักข้อไหมเพราะการรับศีลนี่จะต้องมีศีล มีศีลขึ้นมาได้ต้องมีปัญญากำกับสัมมานั่นคือตัวกำกับปัญญาต้องมีปัญญากำกับเราไปฆ่าสัตว์ถ้าสัตว์ตัวนั้นเป็นเราถ้าเปลี่ยนกันถ้าสัตว์ตัวนั้นเป็นเรามีความรู้สึกยังไงเขาก็กลัวตายเราก็กลัวตายถ้าคิดได้อย่างนั้นปัญญาเริ่มที่จะ เกิดแล้วเริ่มที่จะเกิดปัญญาขึ้นมาเลยเห็นในมุมกลับเรียกว่าเห็นมุมกลับอย่างนั้นทีนี้ศีลทุกข้อเลยจะต้องมีปัญญาทางนั้นมีปัญญามีปัญญาแล้วก็ยังไม่พอต้องมีสติสติต้องมาก่อนคิดได้ดั่นคือสัมมาสติก็ต้องมาช่วยกันแล้วก็ต้องมีความเพียรด้วย ศีลทุกข้อต้องมีทั้งจิตต้องมีทั้งปัญญาต้องมีทั้งความเพียจรจึงจะรักษาได้ว่าอย่างนั้นรับศีลก็เป็นอุปท า, านศีลรับด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่า ร, ารับศีลแล้วนั่นเรียกว่ารับด้วยความยึดมั่นถือมั่นก็เลยไม่ได้ศีลสักข้อมันต้องสมาทาน สมาท า, า, านสมาทานศีลสมาทานศีลจึงจะมีศีลนั่นสัมมาวายามะสัมมาสัมมาวจจะสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะนั่นเป็นศีลอันี้พอเราท่องอริยมรรคไว้องแปลเราก็ว่าศีลสมาธิปัญญาศีลมันอยู่ตรงกลางปัญญามันอยู่ข้างหน้าปัญญามันอยู่ข้างหน้า ต้องปัญญาปัญญาแล้วกาศีลศีลใ่กาสมาธิศีลในกาสมาธิทีนี้ถ้าไม่มีปัญญาก็รักษาศีลไม่ได้ถ้าไม่มีปัญญาจิตก็เป็นสมาธิไม่ได้เพราะพอให้นั่งสมาธิแวบเดียวกลับบ้านแล้วแวบเดียวไปโน่นแล้วไปนี้แล้วนี่บังคับมันไม่อยู่ บังคับไม่หยุดนักวิทยาศาสตร์ก็ว่าสิ่งที่เร็วที่สุดคือแสงแสงจากดวงอาทิตย์ส่องมายังโลกแค่เวลากี่วิแล้วก็ไม่รู้ลืมแลวตอนนี้แต่ว่าไม่มีอะไรที่เร็วมากกว่าจิตจิตเนี่ยมันวบเว็บวบเว็บวบเวบเพราะมันไม่มีตัวตน พวกเพ้อเพ้เพ้อเพ้อย่างนั้นทีนี้ไอ้ไม่มีตัวตนเลยคก็ไมไม่ว่าไม่มีเบรกด้วยมันไม่มีเบรก ค, คิดดูที่จะรถไม่มีเบรกจะขับกันยังไงจิตไม่มีเบรกก็เหมือนกันเนทะ่า น, นก็เลยหาความทุกข์มาฉะนั้นศีลมีหน้าที่ ในการบังคับกายวาจาสินสแต่ลตะข้อแต่ลตะข้อทีนี้ศีลทั้งหมดนั่นแหละแต่เราจะถือข้อเดียวก็คือความไม่เห็นแก่ตัวความไม่เห็นแก่ตัวเราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่ฆ่าคนเพราเราไม่เห็นแก่ตัวเราไม่คอรับชั้นเราไม่ขโมยเราไม่โกงก็ เขาเราะเราไม่เห็นแก่ตัวเราไม่ผิดลูกผิดเมียก็เพราะเราไม่เห็นแก่ตัวเราไม่พูดเทศจก็เพราะไม่เห็นแก่ตัวเราไม่ดื่มไม่ติดของมือนเมาต่างๆเพราะเราไม่เห็นแก่ตัวเราไปดื่มไปเมาไปอะไรแล้วสติสัมปชัญญะก็หายหมดกลายเป็นคนขาดสติ ก็พวกท่านลองคิดดูดิคนที่ขาดสตินะึ่งคนอะไรคนอะไรที่ขาดสตินะดูดิที่ขาดสติก็ดูว่าเรื่องของนางป atra ราเนะ่ยเห็นไหมความทุกข์มันรุมเร้าก็มาจนขาดสติความทุกข์ต่างๆหนาๆ ห, หัวตายลูกตาย พ่อตายแม่ตายสติขาดจริงพอสติขาดแผ้าก็ไม่นุ่งแล้วอะไรก็ไม่นุ่งแล้วนั่นไม่ได้เมาแต่ว่ายึดมั่นถือมันในความทุกข์ที่นี้คนที่เมาก็ขาดสติเพราะขาดสติเป็นยังไงก็ทําอะไรได้หมดจะแก้ผ้านอนกลางถนนก็ได้ นอนในรถเหยียบหัวก็ได้ได้หมดได้หมดะคือมันขาดสติไปข้าเขาก็ได้ข้าพ่อแม่เองก็ได้ปิดลูกปิดเมียก็ได้ก้โมโง่ก็ได้ได้หมดโรคขาดสติฉะนั้นศีนี่มีไว้สำหรับที่จะบำราบหรือว่าไว้บังคับกายวาจาให้มันปกติอยู่ในร่องในรอย สังคมนี้ก็จะได้ตั้งได้เรามีเพียงสีหน้าข้อนี้โอ้ยสบายไม่รู้แค่ไหนแล้วนี่สีนี่เกิดก่อนมีพระพุทธเจ้าขึ้นมาอีกนะก็เกิดมนุษย์ขึ้นมานี่ข้าวไม่ต้องหว่านผลไม้ไม่ต้องปลูกง้อลงกองมังคุดก็ไม่ต้องปลูกมีอยู่แล้วทางนั้นเลย นีพกคนรู้จักกินข้าวรู้จักเอาข้าวมาหุงก็เลยถึงเวลาก็ไปเกี่ยวไปเด็ดมาตอนแรกเกี่ยวไม่เป็นหรอกเด็ดมาเอาเด็ดมาแล้เอามานวดเอามารูดเอามาอะไรทำแล้วก็ทำให้มันเป็นข้าวสาร้นไม่ได้ก็พัฒนาปาพัฒนามาเสร็จแล้ว เกิดอะไรขึ้นมาความโลกมันเกิดแล้วเมื่อก่อนไปเอามากินวันละมื้อไม่ลงมากวันละมื้อสองมื้อสามื้อพวกนี้ก็ไปเอาใหม่ใไปเอาใหม่เอาไปเอาใหม่เป็นยังไงทีนี้เอ๊ะเอาหลายวันดีกว่าเอามากมากครับเอามากมากตีนี้เออคนนั้นเอามากคนนี้ก็เอามากด้วยเอาไปไปมาไม่ลงตัวกัน ปันเงินดีกว่าคนนี้เขตของคนนี้แค่นั้นของคนนั้นแค่นั้นแค่นั้นปันเขตกันอ้าวพปันเขตกันแล้วล้ำเขตอีกเนี่ยวันเป็นอย่างนั้นน่ยก็เลยสีนี่ต้องมีขึ้นมาในสังคมในสังคมเรียกว่ากฎของสังคมสีนี่เป็นกฎสังคมก็ปานาติบาไม่ให้ฆ่ากันก็ อ, อัตินนาทานไม่ลักไม่ขโมยไม่ชอ่อไม่โกง ไม่อะไรกันทางนั้นก็กาเมตุมิตรจาอาจารย์ก็ลูกใครลูกมันเมียใครเมีย ม, มันไม่ต้องไปเปลี่ยนผู้เปลี่ยนหัวเปลี่ยนเมียกันหรอกก็มุสาวาก็เกิดไม่ได้คนมีสัจจะทีนี้พอไปก็สุราข้็ชุรานั้นเริ่มต้นนกมันกินพลิก กินพลิกฉุกฉุกนกมันชอบกินพลิกฉุกฉุกเสร็จแล้วก็มันไปกาะที่คาคบไม้ทีนี่มันก็กินเดรแล้วก็ตายกินเสร็จแล้วมันก็ตายคือนกที่มันชอบกินพริกเพราะเป็นยาตายก็มันมันก็ตายตายตายตายทีนี้หลายหลายอย่างที่มันไปกินต้นผลไม้ฉุกมั่งอะไรมั่งมันก็ถ่ายลงที่คากบไม้นั่น พออยู่นานๆมั น, นก็ตกตะกอนตกตะกอนทีน่นี้ไอ้น้ำข้างบนมันเป็นน้ําใสแต่ข้างล่างก็เป็นกากเป็นกาบพวกนายพรานนายพรานก็ไปล่าสัตว์หิวน้ําก็เลยไปดื่มน้นะําดื่มดิกากรบไม้นะั้นพอดื่มแล้วมันอู้มันดีนี่น้นํานี้ดื่มก็ไปแล้วมัน ลืมความทุกข์หมดเลยรำเต้เลยที่นี b b ổ, er é, er ้คนเดียวก็เลยไปบอกเพื่อนเหรเจอของดีแล้วเจอของดีแล้วเจอน้ําอมฤตแล้วใครกินแล้วไม่ตายน้ํานั้นกินแล้วไม่ตายนั่นมันมาจากนั้นมาจากนั้นก็เลยพัฒนากันมาพัฒนาพัฒนาพัฒนากันมาเรื่อยพัฒนาจนกระทั่งความองกันทั้งบ้านทั้งเมือง วันนี้คืนนี้ก็เป็นคืนเมากันอีกแล้วเมากันอีกนี่ทีนี้ถ้าสังคมของโลกมนุษย์นี่แหละมีศีลห้าอย่างเดียวอยู่กันน่าอยู่น่าอยู่สบายมากนอนไม่ต้องปิดประตูมีสมบัติอะไรก็ไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใหญ่ก็มัน นี้เพราะเราขาดศีลกันน่ะเราล็อกกุญแจแล้วก็ยังหายเลยแถนั้ไหมนี่คือเพราะขาดศีลขาดศีลตัวเดียวขาดศีลจนเป็นนิสัยเลยเหตุนีศีลมีหน้าที่ในการบังคับกายวาจาสมาธิมีหน้าที่ในการบังคับจิตให้จิตอยู่นิ่งๆแค่มั่งก็เราก็เลย ให้ภาวนาไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจ ก, ใกูแต่กูมก็ปลุกออกไปคิดถึงลูกคิดถึงบ้านคิดถึงนอนคิดถึงดึงมันกลับมาดึงมันกลับมาสมาธิมีหน้าที่ในการบังคับจิตอันนี่ถ้าคุณไม่มีสมาธิคุณนับเงินจากแสนดินับไปนับมานับมานับไปหลงอยู่นั้นแหละคุณต้องมีสมาธินี่ก็ น้าสต้าคนที่ทำงานธนาคารโอ้ยหลับตานับเลยนับนับนับนับเป็นรอยเป็นพันหลับตานับเลยพอนับเสร็จแล้วก็ข้าวเครื่องปไปไๆๆจบหนึ่งแสนจบหนึ่งหมื่นนี่นับไปนับมาก็ต้องนอกจากคนนับให้้เครื่องนับอีก ที้นี่เป็นยังไงสมาธิมีหน้าที่ในการบังคับจิตนั่งสมาธิจิตมันไหลออกนอกถามมันได้มาทาไมเป็นห่วงอ้าวแล้วเป็นห่วงแล้วก็เดีวมานั่งที่นี่ทาไมอะ่ะแล้วทำไมไม่อยู่บ้านเนี่ยละ่ะเป็นห่วงร่างกายอยู่ตรงนี้ กลับไปอยู่บ้านแล้วกลับไปอยู่บ้า น, นต้องดึงมันกลับมาบอกว่า น, นี้และเราเวลาอยู่บ้านก็เบื่อพอมาวัดเบื่ออีกแล้วพูดนานเหลือเกินพระเจ็ดเอวแล้วกูตอนที่ไปนั่งในวงพ่ายนะกูไม่เก็ตเลยแหมมันระวางไม่จันไรโดยแต่ทำไมมันเร็วอย่างนี้ วันนี้สว่างแล้วนั่งเล่นไพ่สนุกสนุกเห็นไห้อนั่งกวางตามแล้วบิดแล้วบิดอีกบิดแล้วบิดอีกคอยนั่งสมาธิใช่นาทีมันเมื่อยขึ้นมามั่ออะไรขึ้นมามั่บอกมันเลยมันไม่ได้เมื่อยที่ขาหรอกมันได้ไม่เมื่อยที่แข้งหรอกมันเมื่อยที่จิต เมื่อที่จิตฉะนั้นก็บอกว่าไม่ใช่กูมึงเมื่อยไปได้มึงเมื่อยตายก็เมื่อยไปไดิกูไม่ยุ่งกับมึงไม่ยุ่งกับมึงส5บหนาที 20, สบนาทีสสบนาทีนั่งตายก็ให้มันตายดิมันรู้ไปให้มันตายไปเลยต้องตั้งจิตอย่างนั้นตั้งจิตอย่างนั้นพระพุทธเจ้าครั้งจุดท้ายก่อนที่พระองค์จะเป็นพระพุทธเจ้า ตอนเจน็นมีคนเอาญากามญากามถวายเจ็ดกรมเจดกรรมนั้นพระองค์ก็เกลียที่ใต้ต้นโปที่พุทธกยานั่นแหละอธิษฐานจิตเลยานจิตคืนนี้จะต้องนั่งทำสมาธิให้เกิดปัญญาที่นั่งในตอนนี้ถ้าไม่เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ครั้งสุดท้ายแล้วเนื้อเนื้อนี่แหละใจมนุษมกระดูก เ, เนื้อหนังเอ็นกระดูกมันจะเหือดมันจะแห้งไปก็ตามทีถ้าไม่เกิดพุทธโทคือยานตัวรู้นั้นขึ้นมาไม่เห็นอริยสัจขึ้นมาไม่ลุกขึ้นเป็นอันกาศนี่การอธิษฐานจิต ครั้งจุดท้ายของพระองค์เห็นไหมเด็ดขาดนี่หักดิบไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วถ้าไม่หักดิบอพอเป็ น, อ ย, น, น, น, นอย่างนั้นขก้นมาเห็นไหมจากนั้นพอเรานั่งสมาธิเอาพอจิตสมาธิก็ตดือดทำไม่ถูกอีกทำไม่ถูกอีกจิตจเป็นสมาธิะต่ก็ยกขึ้นสูปปัจจนาคือยกขึ้นรูปปัญญา พอจิตยกจิตจิตยกจิตขึ้นสู่ปัญญาพิจารณาทีนี้พระที่บวชใหม่ก็พิจารณาอย่างเกศาโลมาหน้าขาทันตาตาโจาตาโจาทันตะนาขาโลมาเกศาเกศาคือผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟานตาโจาหนัง ให้พิจารณาทนี้ถ้าเราพิจารณาโดยละเอียดอาการสามสิองอันมีผมขนเล็บก้นหนังเนื้อเอ็นกระดูกนู้จนหมดสาสองแต่ว่าการที่เราเอามาพิจารณ า, เอ า, า, อา เ, เอามาอย่างเดียวเอามาอย่างเดียวพอพอจิตเป็นสมาธิจะเอามาอย่างเดียวทีนี้เอามาอย่างเดียวนี่เอามาพิจารณาเจนว่าหนังอย่างเนี้ย หนัง น, นี้มันอะไรเพรายิ่งแก่แล้วมันยิ่งเหี่ยวทุกวันทุกวันเมื่อก่อนเขไม่ได้เรียกว่า e K อีแก่พอแก่เึินวันเดวเรียกอีแก e K ่แล้วเรียกอ e ีแก่แล้วตอนสาวๆเนี่ยคณหนูคนนั้นคนนี้เนี่ยเห็นไหมพอแก่แล้วเรียกอ e ีแก e K ่ทีนี้อะไรมันแก่อะไรมันแก่ตอนหนุน่มตอนสาวหนังก็ตึง โอแกมันก็เหี่ยวพอตายมันก็เ น, น่าเหม็นมันก็จบกระปรกมันมาจากหน่อยหนังเนี่ยมันมาจากไหนธรรมชาติกปดสร้างเหมือนกับว่านี่สร้างอาคารหลังเนี่ยเสร็จแล้วก็หดหลมหดหล่มแล้วเทปูนที่ที่ฐานแล้วก็เทเสา เจสเราก็ต้องมีกระดูกก็เหล็กนั่นแหละเป็นกระดูกพอมีกระดูกมีกระดูกแล้วก็มีเนื้อเนื้อก็คือปูนนั่นแหละเสร็จแล้วพอเนื้อเสร็จเอาฉาบก็ปูนนี่เองนั่นแหละทั้งเนื้อทั้งหนังเสร็จแล้วก็ตาสีมาหน่อยหนึงจะตาสีอะไรก็เลือกก็เองดิตาสีอะไรคนก็เหมือนกันมีสีขาวสีดําสี คนเอเชียนี่เป็นสีเหลืองนี่ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเองแต่เสร็จแล้วก็เป็นอนิจจังหมดเป็นอนัตตามหมดแล้วก็อมันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาแ ล, แล้วเราก็ไปยึดติวเป็นนิจจังเที่ยงเที่ยงเที่ยงเที่ยงทุกอย่างเที่ยงหมดทุกอย่างเที่ยงหมดทุกอย่างหยุดอยู่กับที่หมดมันไม่หยุดที่ ที่ตาเห็นนคิดว่าเที่ยงหมดแต่ว่าถ้าจิตปัญญาเห็นไม่เที่ยงไหลไหลไหลไหลหลไหลเรื่อยสีสันของเส้นผมก็ไหลจากดำเป็นขาวแล้วก็ตัวมันเองก็ไหลต้องตัดกันทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนพระก็ต้องโกนกันโกนกันโกนกันเพราะมันไหล ีนี้มันตกปลอกไม้สีดำใครชอบมั่งครับไม่มีใครชอบสีดำแต่แต่แรเราก็ชอบชอบให้ผมของเราสีดำก็เราติดเราติดในสีดำทีนี้พอมันขาวขึ้นว่าก็ย้อมมันด้ให้มันดำมันจะดำได้กี่วันวันที่มันขึ้นใหม่ขาวขึ้นมาอีกแล้วแล้วแต่มันเป็นของเราเราต้องบังคับมันได้นี่บังคับมันไม่ได้เลย ไหลนี่หลมันไหลทุกอย่างมันไหลทางนั้นแหละไม่มีอะไรไม่ไหลไหลทางนั้นโลกนี้มันยังไหลเลยโลกนี้มันหมุนเห็นไหมคือมันไหลไต่มันหมุนนั่นแหละคือมันไหลทีนี้พอโลกมันไหลถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นมาล่ะวันที่พูดในครั้งต้นนั่นแหละก็ทําไม่เกิดเวลาขึ้นมาว่าโลกนี้มันไหลตัวมันเองก็ไหลสัต ต้นไม้ต้นลายทุกสิ่งทุกอย่างไหลตามกันไปหมดไหลตามกันไปหมดนั่นคือความเป็นอนิจจังไหลไปไหลมาต่อไปก็พังนั่นโลกนี้มันก็พังเรากลัวอีกเขาว่าโอ้โลกนี้จะแตกแล้วก็แตกนี่แตกเดี๋ยวนี้เลยเชิญเชิญเชิญแตกเลยนั่นแต่จริงก็แตกเลยอยไปกลัวเลย ทีนี้เราก็ต้องคำนวณคำนวณดูว่า เ, เรานี่อายุเท่าไหร่กว่าโลกจะแตกก็ดีแล้วถ้าเราปฏิบัติธรรมะเราอยู่ได้ตอนที่โลกแตกเหลือหยุดซีกเราอยู่ได้พอเราอยู่ได้ต่อไปเราก็ได้บอกลูกหลานอันนี้แหละลูกนี่แหละหลานเอ้ยโลกที่มันแตกนะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ นี้ถ้าเรากลัวตายก็โลกแตกก็ปฏิบัติก็ดีปฏิบัติตามง่ามากๆภาวนาให้มากมากออภาวนามากๆยกจิตขึ้นสวยปรัชนาพอจิตเป็นสมาธิแล้ยกจิตขึ้นสวยปรัชนาก็คือยกขึ้นสูยปัญญาพอยกขึ้นสูยปัญญาก็พิจารณาโลกภายนอกโลกภายในยแค่เห็นว่ามันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตา สุด้าก็เห็นเป็นสุญญาตาสุญญตาคือว่างจากตัวตนทุกอย่างว่างจากตัวตนหมดถ้ามันไม่ว่างจากตัวตนมันก็ไม่ไหลที่แต่นี้มันไหลไหลไหลไหลไหลมันไม่มีตัวตนเมื่อมันไม่มีตัวตนมันก็ว่างจากตัวตนนั่นเราจะเห็นแล้วที่นี้เราจะเหว่าว่างจากตัวตนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกว่างจากตัวตน พอเห็นสิ่งเหล่านี้ว่างจากตัวตนดูจิตมั่งทีนี้จิตนี่มันมีตัวตนไหมไอ้จิตนั่นแหละมันดูจิตจิตก็ความรู้สึกที่มันโง่ก็เราเรียกว่าจิตไม่จ่าทิฏฐิถ้าจิตของเราเราปฏิบัติแล้วมันฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นนั่นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิทีนี้ให้จิตนั่นแหละดูจิตดูจิตว่าจิตมันก็ไหลเหมือนกันไหลเหมือนกับวัตถุ ดูจิตว่าจิตเป็นอนิจจังกล้าไปยึดมั่นถือมั่นมันไม่ได้มันเป็นทุกขังเพราะว่าจิตเองก็เป็นอนัตตาเหมือนที่แล้วนิทานเรื่องทรวด้วยหลังให้ฟังนั่นแหละมันไม่มีตัวตนมันว่างจากตัวตนและกี้ฝุ่นมันจะไปจับที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าการที่จะไปยึดถือว่าจิตมีตัวตนน่ะยึดถือร่างกายดีกว่า ก็ร่างกายนี้ยังจับต้องได้ยังเปลืองเนื้อที่แต่แต่ละจิตไม่มีเลยสีมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีไม่มีทางนั้นเลยมันมีแต่ความรู้สึกอย่างเดียวแต่ความรู้สึกนั้นถ้าไม่ศึกษาก็ข้าไปยึดมั่นถือม่นถ้าเราติดรับ ว, ว่าจิตนี่มันว่างจากตัวตนพอเห็นจิตว่างจากตัวตนเห็นจิตว่างพอจิตว่าง จิตภายในว่างเพราะจิตภายในมันว่างออกมาทางตาตาเองก็เกิดดับคือจะว่างในเห็นการเกิดดับก็อจิตเกิดดับว่างจากตัวตนเนี่เราเพ่งเพ่งดูเพ่งดูด้วยสมาธินั่นแหละด้วยปัญญานั่นแหละจิตเกิดจิตดับจิตว่างจากตัวตนเพราะจิตเป็นนิจยังเป็นทุกขงังเป็นนาณะตาว่างจากตัวตนอันนี้ ถ้าจิตว่างจากตัวตนไอ้ตาเองมันก็เกิดดับตามันก็ว่างจากตัวตนเหมือนกันแต่มันจะวุ่นมากตาเกิดดับรูปที่ตาเห็นก็เกิดดับความรู้สึก ท, ทางตาเรียกว่าจาับกูยืนยันก็เกิดดับปัจจัยก า, ารกระทบ ก, ก็เกิดดับเวทนาความพอใจไม่พอใจเฉยๆหรือว่าโง่มันก็เกิดดับทุกอย่างเกิดดับนี่ถ้าเห็นทุกอย่างเกิดดับอย่างนั้นมไม่รู้จะไปยึดหืออะไร จะไปกลัวมันทำเมยตายไปกลัวตายทำมเมย์พี่พอเห็นเวทนาเห็นเวทนาเกิดดับเห็นเวทนาเกิดดับเสร็จ แ, แล้วมันก็จะเกิดตัณหาทีนี้มันจะเกิดตัณหาเกิดความอยากขึ้นมาในตอนนั้นในตอนนั้นปัญญามาปัญญาขั้นลึกซึ้งเลยเพราะความจางไปเพราะความจางกลายดับไปโดยไม่มีเหลือตัณหาดับ พอตัณหาดับความยึดมั่นถือมั่นดับความยึดมั่นถือมัน่นเรียก ว, ว่าอุปาทานพอความยึดมั่นถือมั่นดับมันไม่ต้องตั้งคันแล้วคันนี่เรียกว่าพบพบดับพอพบดับตัวกูชาตชาติตัวกูความรู้สึกว่าตัวกูดับความรู้สึกว่าตัวกูดับความแก่มัก็อยู่กับใครอ่ะ ความหนุ่มความสาวมันอยู่กับใครเพราะความรู้สึกไม่ใจกูแล้วมันดับแล้วพอดับแล้วความแก่ก็ดับความเจ็บก็ดับความตายก็ดับพอเราดับหมดเลยพอดับหมดอยู่กับอะไรจิตสงบเย็นอยู่กับจิตสงบเย็นแล้วพอได้อยู่กับจิตสงบเย็นไม่กลัวตายอะไรตอนที่มีชีวิตอยู่ก็จิตสงบเย็นพอตาย พอจะตายขึ้นมาจิตก็อยู่กับความส ง, งบเย็นตัวนั้นตัวเดียวกันนั่นแหละอยู่กับความส ง, งบเย็นนั่นแหละนี่เรียกว่านิพพาน <onwards> นิพพาน <Kollege> คือความสงบเยน็นพอจิตตัวนั้นสงบเย็นและจิตตัวนั้นไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายนั่นเนี่ยก็เรียกว่านิพพานนิพพานนิพพานนิพพานคือความส ง, งบเยน็น นิพพานังประมังสุก ข, ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสุขร้วปล่อยวางอะไรหมดไม่ค่าไปยึดมัน่นถือมั่นอะไรทั้งหมดร่างกายก็ไม่ใช่กูจิตก็ไม่ใ่กูอะไรก็ไม่ใช่กูนั้นไม่ใช่กูหมดเอาทีนี้พูดเลยว่าศีลมีหน้าที่ในการบังคับกายวาจาสมาธิมีหน้าที่ในการบังคับจิต ทีนี้ปัญญานะจิตทีตต่เรายกขึ้นสู่อิปัตินาเลยจิตนั้นเป็นจิตที่มีปัญญาขึ้นมาแล้วจิตที่มีปัญญามีหน้าที่ในการทอดถอนกิเลสถอนกิเลสตัณหาเรียก ว, ว่าอุปัฏติอุปัตติอุปัตติถอนกิเลสตัณหาออกหมดจิตนั้นก็สงบเลยทีนี้เพราะมันไม่มีตัณหาก้ามาเบียดเบียนแล้วแกนั้น นั่นคือสัมมาทิฏฐิสัมมาจังกัปบปบนั่นแหละคือตัวปัญญาถ้าไม่มีตัวปัญญาก็สงบไม่ได้นี่จะสงบได้ทำยังไงต้องเห็นอริ ย, ยสัจสีคอนพอปฏิบัติข้าวที่ข้าวที่เหมือนกับเราหุงข้าวนั่นแหละไม่ใช่พอเปิดสวิตแล้วก็สุก มันต้องมันพอดีพอดีใส่น้ำพอดีควายพอดีอะไรพอดีเสร็จแล้วมันก็สกก้าวนั้นก็จกุกรับประทานได้ทุกอย่างให้มันพอดีทีนี้เราปฏิบัติตามอารยาทวีองค์8ตั้งแต่ข้อสัมมาทิฏฐิจนถึงข้อสัมมาสมาธิ8ข้อทั้งหมด8ดข้อนี้เหมือนกับว่าเชือก8ดเกลียว อยู่คนละที่คนละทางกันเสร็จแล้วเราเอามัดวั่นทำให้เป็นเส้นเดียวกันเชือกเส้นเดียวนั้นแหละเป็นแปดเกลียวเป็นแปดเกลียวขึ้นมานี่เมื่อเรารื้อออกมาก็เป็นแปดเกลียวแต่ถ้าเป็นเส้นขึ้นมาแล้วก็เป็นเส้นเดียวเส้นเดียวนั้นก็เรียกว่ามัคคสมังคีทำงานร่วมกันแล้วนี่ทำงานร่วมกันแล้ว พอเกิดมรรคจำมังคีขึ้นมาสิ่งที่เกิดมาอะไรทีเนี้ยปัญญาเริ่มเกิดแล้วเกิดปัญญาเริ่มเกิดเกิดอะไรจากขงอุตตปาทิดวงตาคือปัญญาเกิดแล้วนี่ดวงตาปัญญาเกิดถ้าไม่มีดวงตาปัญญาก็ไม่เห็นอริยสัจสี่ทีอริยสัจสีจะเกิดขึ้นมาต้องเกิดจากขงอุตตปาทิ ว่าอย่างนั้นมันเห็นทุกข์ไม่ได้จากกุงมอุตตปาทิเกิดดวงตาปัญญาญาณอุตตปาทิเกิดญาณเกิดตัวรู้ขึ้นมาเกิดตัวรู้ขึ้นมารู้ที่ไหนรู้ในอริยสัจสี่นั่นเลยคือพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกข์เป็นสิ่งที่เราควรกำหนดรู้ ทุกเรากำลังรู้ได้แล้วนั่นใช่ไนั่นคือญาณสามญาณสาญาณสาญาณสแต่ละข้อทุกสามข้อให้ได้เกิดทุกสามข้อความดับทุกสามข้อคนต่างให้ถึงความดับทุกคืออริยมรรคในองค์8ปดสข้อสิ 12, องนี่เรียกว่าญาณสิสองนี่ญาณสิบสองถ้าจะทำให้โยมปวดหัวหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอก เขเรียกว่าหนึ่งเรียกว่าสัจญานสองกิจจญาน3กตญ า, านสัจญานกิจญานกตตาญานสัจญานกิจญานกตตาญานเหมือนกันหมดใน อ, อริยตัตทุกข้อนั่นแหละเหมือนกันหมดเรียกว่าญานสิสองทีนี้หลวงพ่อบอกว่าจักขงอุตปาธิ ตาปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณมุตปาปทิญาณคือตัวรู้เกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาอุตปาธิปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาอุตปาธิวิชานี่คือเรียกว่าเต็มขั้นแล้ววิชาอุตปาธิวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราอาโรโกตาปทิ พลังแล้วทีนี้เกิดพลังแล้วอาโลโกโตปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่ เ, เรานั่นคือพลังแล้วเกิดพลังแห่งปัญญาขึ้นมาแล้วพอเกิดพลังแห่งปัญญาคือเพระพระมีทั้งจกักอุตปาธิญาณังปตตาปาุตตาปุตตาปาธิปัญญาอุตตาปาธิวิจารณปาธิรวมกันแล้วเป็นอาโลกโกตปาธิมีทั้งสติ มีทั้งปัญญาทีนี้นั่นแหละคือผลที่เกิดมาจากการปฏิบัติปฏิบัติอริยมรรคมีองแปรทีนี้อาโลโกตปาทินั่นแหละคือทุกตัวไปรวมกลุ่มอยู่ที่อาโลโกตปาทิอาโลโกตปาติเป็นยอดเสร็จ แ, แล้วอาโลโกตปาทินั่นแหละไปเป็นนิโรดนิโรด เป็นนิโรธคือความดับทุกข์นิโรธคือความดับทุกข์มรรคคือหนทางถ้าเราเดินไปทางนี้มันก็ไปถึงจุดนั้นเปนีิโรธในหน้าที่ในการดับทุกข์ในทุกมันอยู่ที่ตรงไหนทุกอะไรเกิดทุกความดับทุกข์หนทางให้ถึงความดับทุกข์ทุกเขาเอาจิตมาเป็นตัวกู อเอาจิตมาเป็นตัวปลกเอวิชาเกิดแล้วอวิชานั่นแหละคือตัวทุกข์แล้วอวิชานี่คือตัวทุกข์ไอ้ตัวโง่ตัวนั้นโง่โง่เพราะอะไรโง่เพราะไม่รู้จักอริยสัจสี่ชุ่มสี่ชุมม่มห้าเรียกว่าทําอะไรชุมชช่มสีุ่่มห้าพูดอะไรชุมชช่มสีุ่่มห้าคิดอะไรชุ่มสี่ชุมม่มห้าไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์เอาแต่กิเลสตนาอย่าง อวิชชาจิตที่ประกอบด้วยอวิชชานั่นคือตัวทุกนั่นคือตัวทุกเอได้เกิดทุกก็คือสมุทัยสมุทัยตัวนี้ก็เป็นตัวสําคัญเป็นตัวสําคัญทีนี้ตัวทุกเนี่ยมันเป็นผลสมุทัยเน่ยมันเป็นตัวเหตุเป็นตัวเหตุใ้เกิดทุกทีนี้ตัวนิโรธตัวดับ รัวที่จะดับได้ก็เหมือนกับว่านิโรดที่เราปฏิบัติตาม mm hmm. องคอาลีมักมีองค์แปดแต่ก็ได้จักปุ๋งอุตปาทิยาณุอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโปอุตปาทิเกิดนิโรดนิโรดเหมือนกับว่าพลังแห่งแสงสว่างมีความร้อนอยู่ในนั้นด้วยดับ เพิ่มเท่าไหรก็ได้ความร้อนเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้ส่อง้าไปส่อง้าไปที่ตรงไหนส่อง้าไปที่เหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ธรรมุทยนั่นคือราคะโทสาโมหะนั่นคือเหตุให้เกิดทุกข์เรนี้เมื่อก่อ น, นมันมองไม่เห็นเพราะมันไม่มีตานี่เรนี้พอมันมีตาขึ้นมาแล้วมีจักขุงอุตปาทิขึ้นมาแล้ว มันมีตาขึ้นมาแล้วมันมีปัญญาขึ้นมาแล้วมันมีอาโลโกขึ้นมาแล้วซองก็ไปที่นีนโรนะ่เนี่ยซองก็ไปซองก็ไปที่เหตุทเกิดทุกข์คือชมูทยัยซองก็ไปเห็นชัดเจนโอ้นี่ชะมูทัยนี่มันคือราคะเองมันคือโทสะเองมันคือโมหะเองทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมา ก็เลยทีนี้ก็เร่งควที่เร่งควยเร่งควยเพิ่มเพิ่มโบนเพิ่มวัดเข้าวไปเพิ่มก้าไปเพิ่มก้าไปเพิ่มเข้าไปเพิ่มก้า ไ, ไปจนไหม้หมดเททหตุอะเกิดทุกข์ไหม้หมดพอไหม้หมดเป็นุนวิชนเลยทีนี้ทีนี้มันเกี่ยวกันยังไงกับตัวทุกข์คือตัวอวิชชาเกี่ยวไม่เกี่ยวยังไงอาวิชชาหนะมันกินอาหาร อาหารของอวิชชาก็คือราคะโทสะโมหะหรือว่านิวรณ์ก็ได้นิวรนานการมฉันทะปยาบาตีนมิทะอุตัจกักขุกตจาวิจกิจาิาก็คือราคะาโทสะโมหานั่นแหละนั่นแหละคืออาหารของอวิชชาอาหารของจิตโง่แล้วมันกินไฟก็ไปราคะขี้ไฟคือราคะโทสะขี้ไฟคือโทสะ โมหกิไฟคือโมหะมันกินไฟเข้าไปพอมันกินไฟเข้าไปตัวเองมันก็เป็นไฟนทีนี้อาหารของมันอาหารของมันทีนี้ในเมื่อมันถูกทำลายเรียกว่าทำลายต้นตอของมันทำลายไอ้ครังอาหารของมันแล้วเอาวิจัยมันก็อดทีนี้อดอาหาร อดอาหารมันก็ค่อยๆผอมลงผอมลงผอมลงผอมลงผอมล ง, อ, ง, ลงอวิชาดับที่นี่ดับตายเรียกง่ายๆว่าตายคือมันดับทีนี้ภาษาบาลีว่าอวิชายัตะเววะอาเสสะวิราคะวิราคะคือปราศจากราคะนะอวิชายัตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธา สังขาระนิโรโธสังขาระนิโรธาอาวิชชาดับแล้วพออวิชชาดับตายแล้วมันตายแล้วงโง่ตายแล้วพองโง่ตายแล้วก็นิโรดนั่นแหละก็ไปครองเลยนิโรดก็คือกลายเป็นตัวสกิปัญญาไปอันนี้อวิชชายตะเววาเสจาวลากะนิโรธาสังขาระนิโรโธสังขาระนิโรธาสังขารก็ดับที่นี่อนนี้เคยพูดว่า ไอ้เจ้ากรรนายเวรที่เราไปบูชามันนักหนาแหมมันเป็นยังไงเจ้ากรรนายเวเรเลยไปบูชางงโง่โง่ไปบูชาแบบนอกศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาพุทธจ้าศาสนาพุทธเจ้ากรรนายเวรก็คือตัวอวิชชาจิตที่ประกอบด้วยอวิชชาเพราะมันไม่รู้อริยสัจสี่ถ้ามันไม่รู้อริยสัจสี่มันก็คิดผิด ก็พูดผิดมันก็ทําผิดเพราะอาวิชชาเลยเนะี่ยมันทําให้เกิดสังขารสังขารแปลว่ากระทําการกระทําทางกายก็เรียกว่ากายสังขารการกระทําทางวาจาก็เรียกว่าวาจีสังขารการกระทําทางใจก็เรียกว่ามโนสังขารนั่นแหละสังขารสังขารทีนี้ในเมื่ออาวิชชามันดับกลายเป็นวิชชาไป เมื่อกลายเป็นวิชาไปหรือเมื่อก่อนจิตนี้เป็นตัวกูตอนนี้ไม่ใช่แล้วกลายเป็นสติปัญญาหมดเพราะว่าตัวกูดับไปตัวกูดับไปก็มีแต่สติปัญญานี้พอมีแต่สติปัญญาสติปัญญาพูดก็พูดด้วยสติปัญญาทําก็ทําด้วยสติปัญญาคิดก็คิดด้วยสติปัญญานี่เรียก ว, ว่าสายดับสายดับสายดับสายดั บ, ด บ, ด บ, ดบทุก เรียกว่าสายดับทุกนี่แล้วมันมาจากไหนเจ้ากรรมนายเวรเอาหัวหมู ห, หัวหมามนไปบูชามาันไปบูชามันทําไมมันอยู่ตรงนี้เจ้ากรรมนายเวรมันอยู่ที่จิตโง่นี่มันอยู่ที่จิตโง่นี่พระจิตโง่นั่นแหละมันเลยเกิดเจ้ากรรมนายเวรขึ้นมาก็คือตัวอาวิชชานั่นแหละนี่คนที่นับถือพระพุทธศาสนานะต้องมองทางนี้ แต่ถ้าคนยินนับถือศาสนาไปนะ mm. กปบไปบูชากท็ที่ไปบูชาเจ้าแม่กาลีนุไกนะในอินเดีย น, นุน mm. ก็ไปเชื่อดขอแเะมั่งแก้มั่ ง, งไปเชือดขอแล้วก็เอาเอาเลือดนั่นแหละไปป้อนก็ที่เจ้าแม่กาลี น, ะนั่นแหละเห็นไหมไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่มีอะไรนั่นแหละคืออวิชาอวิชานั่นแหละเจ้ากรรมนายเว นี่มีวันหนึ่งโยมก็มาจากกรุงเทพวันนั้นหลวงพ่อไม่อยู่ไปบรรยายไว้ที่กรุงเทพก็มีข้า ร, ราชการผู้ใหญ่ก็ก็พามานี้แหละแล้วมีคนหนึ่งทำนากุ้งมากันหลายคนสิบคนยี่สิบคนมานั่งสมาธิมานั่งสมาธิเป็ น, นยังไงแต่เจ้ากรรมนายเวรมันก็มาแล้วทีนี้พอจิตสงบมาแล้วมาอย่างไรเป็นกุ้งมาเป็นฝูงเลย กุ้งมาเป็นฝูงเลยแล้วมาทําไมมาด่ากุ้งมาด่ามาด่าทั้งกุ่มีอีกเปรตหนี้่นี่กุ้งมันมาด่าอีกเปรตหนี้วะเนี่ยกุ้งมันมาด่าเนี่ยมันมาจากอะไรจิตนั่นแหละจิตนั่นแหละจิตโง่นั่นแหละนั่นแหละคือจิตโง่จิตโง่ที่ไปทําก็ไปทําเลยก่อนนั่นเห็นไหมเจ้ากรรมนายเวรนั้นมันมาเออทีนี้ถ้าทําด้วยจิตฉลาด พูดโดยจิตฉลาดคิดด้วยจิตฉลาดคือเราจะทําอะไรเราต้องเอาสติปัญญาเนี่ยไปทําไปพูดไปคิดไม่อย่างนั้นคนที่ฆ่าสัตว์ฆ่าเนื้อฆ่าหมูฆ่าไก่ใครใครรวยกี่คนไม่รูใครรวยกี่คนที่ทําำๆอยู่ในกลาดาษนี่ใครรวยกี่คนแม่ฆ่าปลานี่ผมพอเห็นนั่งตีหัวปลายทุกวันชังเวศพวกนี้เวนกรรม เพราะว่าไปกู้งเงินก็มาร้อยได้ยี่สิบไม่รู้ได้กําไรกี่บาทนี่แล้วเหม็นเน่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยเากระปลกนี่คือเรียกว่าปลานาทีบาทเจ้า ก, กําไรเวเนี่เจ้า ก, กาําไรคือมันติดอยู่มันติดอยู่ที่ในจิตจิตโ ง, ง่นี่ยแหละจิตโง่นี่ยแหละมันมันเป็นกุ้งมันเป็นปลามันเป็นวัวมันเป็นควายแล้วเสร็จแล้วมันก็มาท่วงนั่นคือจิตโง่นี่ยแหละ ทีนี้ถ้าจิตฉลาดมันไม่ทํามันไม่ทํานั่นแหะคือเรียกว่าวิญญาณแห่งจิตโง่จิตโง่นั่นแหละเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณมีคนที่ข้าวัวข้าควายก็ร้องออกวัวออ ก, ออกควายทาง น, นั้นเลยนั่นแหละคือจิตโง่นั่นแหละที่มันทํามาจนชินทําจนชินจนเป็นนิสัยจนเป็ น, นันเรียกว่าอนุสัยจนเป็นอนุสัยมันคลายไม่ได้แล้วสติปัญญาเรียกว่า มันไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันแล้วเห็นแต่มืดมืดมืดมืดมืดเห็นแต่มืด อ, อย่างเดียวมืด อ, อย่างเดียวนั่นแหลคืออวิชาอาวิชาบางคนให้นั่งสมาธินันง่นงนั่งนั่งเห็นตัวอะไรก็ไม่รู้หลวงพ่อนั่นตัวอะไระตัวดำดำไม่มีตาไม่มีหู้ตัวดำดำหลวงพ่อว่านั่นแหละตัวอวิชา มันไม่มีตามันไม่มีหูนั่นแหละคือตัวอวิชชาแล้วไอ้ที่เห็นเนี่ยต้องกลับไล่มัน่อยต้องทําให้มันเกิดปัญญาขึ้นมาพอเกิดปัญญาขึ้นมาอวิชชามันก็หนีนี่นี่ถ้าเราภาวนาว่าไม่ใช่กูไม่ใจกูไม่ใ่กูไม่ใจกูต่อไปมันก็ชินมันก็ชินนี่พอเราโกรธขึ้นมาหรือจะโกรธยังไม่ถึงกับโกรธจะโกรธพอจะโกรธไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกู กหายไปเลยหายไปเลยพอมันจะเป็นทุกข์ไปถึงดูหน้าตัวเองในกระจกออใกข้าใกล้กระจกไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูก็ทําความสะอาดมาพอประมาณประมาณกพอแล้วไ ม, ไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูก็จบไม่ต้องไปเป็นทุกข์นี่มองหน้าตัวเองในกระจกทุกทีเป็นทุกทุกทไีได้อะไรเนี่ยได้อะไรเห็นไหมตัววิจารมข้าวสิง ทีนี้เราต้องการที่จะไล่ปีตัวนั้นออกที่เรามาวัดที่เรามาปฏิบัติธรรมต้องการที่จะไล่ปีอวิชชาเนี่ยออกไว้อปีอวิชชาออกไ ว, ว้สบายหมดทุกอย่างสบายหมดการบรรยายในวันนี้เขาไม่จบไม่สิน้นเรากล้ารไหว้แก่นี้ก่อนก็ขอให้ความสุขความเจริญในธรรมจงเกิดมีแก่ท่านลงทุกๆ ท, ท่าน